ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟัง MP สแผ่นที่67โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีคติธรรมก่อนฟัง MP 3แผ่นที่67ให้คติธรรมว่าทุกโผปิปันทิโตนะชะหาติ บัณฑิตแม้มีทุก์ก็ไม่ละเว้นธรรมบัณฑิตถึงจะถูกทุกด้ยากอย่างไรก็ไม่ทำความชั่วก็ไม่ทำสิ่งที่มันจะทำให้ตนจิบหายหรือทำให้ตนเดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนอันนั้นเชื่อว่าบัณฑิตผู้ที่เป็นบัณฑิตจะไม่ละทิ้งธรรมคือคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรม ผู้เป็นบัณฑิตต้องเป็นผู้มีศีลห้าเป็นพื้นฐานคนที่มีศีลห้านั่นแหละเป็นบัณฑิตในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วให้ตรวจตราดูตนเองว่าข้าพรเจ้านี่เข้าข่ายเป็นบัณฑิตหรือเปล่าไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเรา ถ้าเราห่างเหินจากศีลธรรมแปลว่าเราก็เป็นพาละชนโดยที่ไม่ต้องพูดยังไงก็เราก็ต้องเป็นพาละชนเพราะเราห่างเหินจากคุณธรมธรมศีลธรรมจริยธรรมแต่ถ้าว่าพวกเรามุ่งมั่นไม่ละทิ้งธรรมคือมีศีลห้าเป็นพื้นฐานยึดพด ท, ทังธรรมมังสังขัง สรรนางคัตฉามิยึตพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยึตผู้ดีท่านผู้ทําดีคุณธรรมที่ดีพระสงฆ์ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยึดเป็นตัวอย่างอันนี้แปลว่าผู้ไม่ละทิ้งคุณงามความดีเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านตรวจตราดูตนเองอย่าห่างเหินจากธรรมอย่าห่างเหินจากในสิ่งที่ดี